เป็นวันที่พระ อ, องค์พระ อ, องค์ประกาศว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยเป็นธรรมโดยธรรมพระ อ, องค์ขอปกครองมาโดยธรรมจริงๆอยู่ในทศพิต ร, ราษรธรรมตามประเพณีเป็นที่ยอมรับของประสกนิกรทั่วนหน้าพระ อ, องค์รักษาพระวาจารักษาสัตว์ที่ได้ตรัสไว้กับพี่น้องประชาชน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 เดี๋วจะเสกคาถาพอจากนั้นมาฝนก็เลยไปตกจริงๆวนซ้ายวนขวาพอวันงานจริงๆก็ตกพอไปปล่อยเย็นๆ ส, บ, สบายหน่อยหนึ่งอย่ากนั้นก็ฝนก็ร้องหน้าร้องหลังฟ้านะวันก่อนเมื่อคืนกลางคืนก็ร้องแต่ฝนไม่ตกตูขาก็บอกโอ้โลงพ่อคาถาลงพ่อนาะคงจะ อ, อย่างคุ้มของอยู่มั่งขอให้ลงพ่อ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 อผ้าม่านเ่พวกเราคิดวิธีราคาเท่าไหร่ฟังหลวงพ่อถามๆวนะ่าเท่าไหร่ผ้ามา่านเ่อผ้ามา่านซาลาผ้ามาาา่านเ <c oughs> สองแสนหกครับหลวงพ่อพุทธนะสองแสนหกกับซาลามันเปียกทำความสะอาดหน่อยหนึ่ง <c oughs> อันไหนอันไหนมันมันคุณค่ามันยังไง ถ้าว่าคนโง่มันก็คิดไม่ออกนะแต่ว่าพระที่ฉลาดมีความคิดมันก็ต้องคิดออกอันไหนเป็นอันไหนควรไม่ควรอย่างไรเนี่แหละที่เราอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวที่พูดเมื่อวานท่านสอนให้พระใช้ปัญญาให้พวกเราฟังทั้งหมดหลวงตาไม่ได้ ใ, ใช้ความซื่อบื้อความเซ่อความโง่แปลว่าเข้าไปแล้วตรงหมุนรอบตัวเลย เออเอค้าทางง่าอกไหนเสื่อเสื่อไปวัดตกขอบปล่อออกจากวัดง่ายง่ายเออคาพูดของหลวงตาแต่ละคาเนี่ยอย่ามาให้นักใจนะอย่ามาอยู่ที่นี่นะถ้าไม่ทั้งใจหนีเออวัดนี้ไม่ต้องการคนที่ไม่ต้องไม่ท่านไม่ั้งใจอย่าอยู่ให้หนักวัดหลวงตา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 ใช้เครื่องโยกนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของของของพระที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีไม่มีมมมม เ, เรื่องเครื่องน้ำประปงประปาเครื่องสูบน้ำนะั่นไม่มีแต่สมัยนั้นมีไหมมีแต่ลงตาไม่ให้ใช้ลงตาก ร, รมรฐานจะเป็นใช้อะไรพอหลวงพ่อออกมาแล้วออกมาแล้วนะปี2 5นยี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 รบเย็นเป็นสุขน ะ, เ, ะเรื่องทะเลาะวิวาทกั น, นอย่าได้มีแต่โดยมากเราสังเกตสังเกตดูโดยมากพระฝรังใจร้อนนะให้ข่าว่าเป็นอุปนิสัยของท่านเพราะท่านศึกษามาทางนั้นคือพื้นเพรประเปเถทามีอะไรโหโมโหแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่เอาหนะลวงพ่อเนี่ยรู้จักทางหลบทางหลีก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 รักกันเหมือนพี่พี่น้องๆไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่กันนี้หลวงปู่บุญมีหลวงปู่เล่เป็นพี่ชายอยู่ด้วยกันเราก็เป็นองค์ที่องค์ที่4ี่ที่5้าเพราะนั้นสมัยก่อนมีท่านยูนทิ่นท่านยูนท่านจอนทิ่นรองลงมาหลวงพ่อก็เป็นองค์ที่หที่ห้าที่6แต่หลวงพ่อนบวชก่อนบวชก่อนท่านปัญญานะานปัญญาวุฒโธ ท, ท่านเชอร์รี่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 ตะโกนมาเป็นม้วนเหมือนกับนี่ยนะม้วนสายเทปของเราเนี่ยนะเทปวัดถนนโหนทางเนี่ยนะหลักกิโลเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้แหละเทปสมัยเก่าเออต่เทปจริงๆเหมือนกันนะอืมมันเป็นแถบวัดนมันม้วนกลมประมาณห้าหกนิ้วนะโอ้ม้วนใหญ่แต่ใช้ฐานทั้งสิบสองก้อนเนี่ยเทปกรุ่นเด็กนั่นแหละเอามาอัดหลงตา อ, อท่านสา่งมาจากประเทศเยอรมันเลยละ่ะ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 ท่านก็มาให้ท่านปัญญาโอ้ท่านปัญญาได้เทปคาเสร็จมุตัวนี้เราทท่านพอใจอย่างมากเลยท่านธนุถนอมอย่างดีท่านก็มาอัดเทศธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่แหละอันนี้หลวงพ่อเคยอธิบายให้ฟังในวิธีการอัดเทปของท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยท่านทำอย่างไรสรุปแล้วก็คือท่านปัญญาวุฒโธพระฝรังท่านนี้น่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 ไม่ได้สั่งทุกองค์นะสั่งองค์ไหนให้ทำอะไรองคนั้นก็ต้องมาบอกหมู่เออพ่อแม่คูจารย์สั่งอย่างนี้อย่างนี้ให้ทำนี้นะครับพวกหมู่ก็ต้องปฏิบัติตามคือไม่ต้องไม่จำเป็นจะต้องไปสั่งทุกองค์ไม่ต้องไปพูดให้ทุกองคเออองไหนองค์นั้นถ้าหากว่าถ้าสั้นสั่งองนี้แล้วเออองนี้หมอบอกหมู่ไม่ฟังองไหนที่ไม่ฟังบอกมาท่านบอกบอกมา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 หลวงตาท่านมีเหตุมีผลของท่านนะในการดูแลพระสงฆ์ในการดูแลแต่ตอนเช้าเนี่ยพอท่านออกมาจากห้องของท่านแล้วท่านก็ตือถือตลับมากกับผ้าจีวรผ้าด้ายโดยมากพวกเราก็มาถูสลาอย่างที่วาดจากนั้นท่านก็ลงมาท่านก็กราบพระกราบก็เป็นจางเขาปฏิษต์จริงๆ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 พวกพระที่มาเอาผ้ามาก็ซ้อนเป็นสังคาตินะ <c oughs> ซอนสังคาติอย่างนั้นท่ากรองผ้าบินทบาตทแต่หลวงพ่อไปอยู่ใหม่ๆครั้งแรกหลวงพ่อกับบินธบาทตามหลังท่านนะตามหลังหลวงตาไปบินทบาตได้สองสามวันนะท่านก็นเหลือกเห็ น, นเห็นหลวงพ่อเฮียพระน้อยพระนมอย่ามาเตินตามหลังเราสายนี้มันรู้จักไหมมันสั้น ก็ให้พระผู้เฒ่าพระอสุขภาพไม่ดียพระที่นั่นเดินตามองพวกนั้นพวกพระน้อยผหนุ่มจะมาเดินตามหลังเราไปไปสายอื่นมันมีสองสายนะอย่ากให้เราได้บอกของเพียงแค่นี้หลวงตาท่านท่านพูดอะไรนะ่ะท่านจะไม่พูดแบบปณีป น, มนอมน้อมแนมนะแปลว่าพูดอะไรไประวัติเด็ดขาดอลักษณะอย่างนั้นนะ่ะ หลวงพ่อโว้ยจากนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยปบินธบาตสายหลวงตาเลยนะมาบินธบาตสายหลวงปู่บุญมีมันมีสองสายสายตะวันออกกับสายตะวันตกหลวงตาบินธบาตสายตะวันออกเนี่ยสั้นกว่าแต่พวกรอนบินธบาตสายตะวันตกออกก่อนออกไปออกไปแต่เช้าห่างกันประมาณสินาทีะก็ไม่ไม่ไกลกันเท่าไหร่หรอกประมาณ10บหรือนาทีนะ่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 แต่หลวงพ่อน่ยไปหลวงปูป่บนมีโดยมากาปเป็นพระนุ่มๆน่ะพระเดินคล่องทั้งหมดนะไปบินทบาททางสายตะวันตกนะแต่เวลาออกบินทบาทเนี่ยอืเวลาออกบินท่าบาทตอนเช้านี่หลวงตาหลวงตาท่านบอกว่าอย่าเดินห่างกันเกินไปนะอให้เดินได้เป็นระยะห่างกันนะ่ะประมาณสักห้าหกเก้าก็พอเลยล่ะอย่าไปเดินห่างกันเพราะศรัทธาญาติโยมเขไปทําไร่ทํานาน่ะ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 คร บ, คร บ, ครบทุกองบางทีท่านมีปลามะมีปลาทูนมาบอกว่าเออไปแจกทุกองนะเรายัางไม่เอานะเราอยังไม่เอานะไปไปแจกไปองนั้นเนี่ยเซ่อๆไปกระจาแจกแจกแจกแจกแจกก็มาคอยรับมออีกฮะเป็นไงปลาเมื่อกี้นี่ครบกันไหมครบครับฮะครบไหม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 เอออาใหโยมปล่อยให้โยมบรรดารมแต่ชาตยาญาติโยมมาถวายหลวงพ่อเนี่ยดูต่อหน้าท่านหลวงพ่อจะตักตักต่างัอาหารสมมติว่ามีวันนี้มีแขกมาสามโม่สามกลมหลวงพ่อก็ตักสามถ้วยอย่างละถ้วยลวถ้วยลวถ้วยลวถ้วยมีพรกมีอะไรพร้อมเสร็จแล้วก็จด ใส่เรียงเรียงไว้กันเต็มถาแล้วก็ปิดรนว่าเอาถาดมาอีกมีกี่หมู่แขกวันนี้หลวงพ่อเป็นคนจัดอาหารใครเค้าก่อนที่จะจัดอาหารน่ตาเหลืองหมอกนุมองด้วยแล้ววันนี้เราจะจัดอาหารให้กี่พวกกี่หมู่แต่เข้ามาเป็นคนกลุ่มเดียวกันเราก็เราก็เอาถ้วยเดียวก็พอ3 4, 4ี่คน4 5ห้าคนนี่แหละจากนั้นเราก็แจก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 ก็คงจะเป็นอนิสง์อันนั้นก็มั่งหลวงพ่อไปปิ่นบาทที่ไหนคนแย่งกันใส่บาดในว่าหลวงพ่อจะมาคิดถึงจุดนั้นนะพ่อคิดพ่อพอมาขเห็นคนใส่บาดขึ้นมามากๆเมื่อไหร่หลวงพ่อจะคิดถึงตัวเองอได้ใส่บาดแบบใส่บาดให้หลงตาแบบอแบบแย่งใส่บาดนะลักษณะอย่างนั้นอนะแต่นี่เป็นความคิดเฉยๆนะ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 สรุปแล้วคือหลวงพ่อได้เรียนได้ศึกษามากับวงหลวงตาเนี่ยหลวงตาเนี่ดุจรุกแล้วกดระเบียบดุไปเพราะพราะนั้นหลวงพ่อจึงบางทีบางคนมาเห็นหลวงพออง่อหอวหราแล้วฮโอหลวงพ่ออินคือจใจดีเนาะแต่พระเนนของหลวงพอ่อเนี่ยหลวงพ่ออินไม่ใช่ธรรมดาเนี่ย <c oughs>